ตัวอย่างแห่งเหตุให้เกิดผลพระพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งเหตุที่ให้เกิดผลดีและเหตุที่ให้เกิดผลชั่วไว้ในจุลกรรมมวิพังคสูตรพระไตรปิฎกเล่มสิบสอันอาจแยกได้เป็นข้อๆดังนี้เหตุผลฝ่ายชั่วหนึ่งมีอายุน้อยเพราะฆ่าสัตว์สอง มีโรคมากเพราะเบียดเบียนสัตว์ 3. มีผิวพันธ์ามเพราะมากโกรธแค้นพยาบาท 4. มีสักต่ำเพราะมากรษสยา 5. มีพกกรัพย์น้อยเพราะมาเอือเฟื้อเจือจาย์ 6. เกิดในตระกูลต่ำเพราะกระด้างถือตัวไม่รู้จักอ่อนน้อม 7.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 มีศักดิ์สูงเพราะไม่มักริษยา 5. ามีพกษัพั์มากเพราะเอื้อเฟื้อเจือจาน์ 6. <ก>เกิดในตรกูลสูงเพราะไม่กระด้างถือตัวรู้จักอ่อนน้อม 7. มีปัญญาดีเพราะรู้จักไต่ถามและสแสวงความรู้ตัวอย่างที่แสดงมานี้